ท่านผูส้สวดสบายนั้งหลายลเจ้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้ารยี่สิบเจ็ดเป็นวันบันทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็ น, นังศีด้วยเทศชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มขององศีเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนนักตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่สาม วารดีสามนี้ผมตายอายุเมื่มออายุย่เจ็ดปีเอ่ยบทเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บทเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบานองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมาที่วัดปรากฏว่า ม, มีรูปหล่อพระสิีอาริยเมตรยัย แห่ไปจากวัดไลยที่จังหวัดลบบุรีเอาไปที่วัดวาดงโคและก็ตอนกลางคืนครึ่งคืนที่สองวพ่อเวลาตีสองหลวงพ่อปานท่านไปอยู่ที่นาพระพระศีอานกับตาเชิดถึงเป็นุงสิ์เป็นคนเมยุมากแล้วแล้วก็ตาเชิดมาปลุกผมขณะที่มาปลุกผมแ้ะปลากอผมตื่นแล้ว เพราะาหลังจากที่ผมบวชกับพระปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ลุกขึ้นจเจริญกรรมฐ า, านตามปกติของผม <c oughs> ตามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จักสวรรค์นรกเป็นความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค์นรกให้ได้โดยการตั้งใจไว้อย่างนั้น แต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสำคัญหลายท่านที่สำคัญ จ, จริงๆมีอยู่สิบองค์ท่า น, สนแสดงออกถึงความสามารถเจริญวกรรมฐานผมจนผมมีความเลื่อมใสการท่านแสดงออกไม่ใช่ น, นั่งหลับตาให้ดูท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ระองค์พูดเหมือนกันเหมือนก็ตายเห็นมา ถึงแม้ว่าในขณะอดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระก็ไปเจอสาวกลางทางสนิทก็เลยต้องไปพวงอยู่กับพระผู้หญิงประเภทนั้นครับก่อนว่าเธอยิ้มแยมแส่มใสคุยสนุกสนานแต่งกำลังใจแล้วก็ไปหาพระ ไปถึงท่านท่านบอกว่าเออก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจตขนมหวานเขจะไม่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจบว่าเออพนี่ท่านรู้จริงๆแล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนะรกสวรรค์ไม่น ใ, นใกล้เลอเกินนี้ ความรู้ของพระจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงพรหมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชทำพุทธศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองโอ้โหท่านยืนยันถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามี ก็บอกว่าท่านพนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชด้วความจริงจังความจริงเมื่อบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรัทธาบวชมด้วยประเพณีคือถึงว่าเพณีทั้งการจะบวชก็บวชบางคนเป็นฆราวาสลําบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุขจะต้องแสงหาทุกข์ไว้เป็นบติพระต้องรู้จักทุกข์ เมื่อท่านอธิบายฟังผมไม่ขอพูดมากพูดมากเสร็จสิ้นค่ะเสร็น้นนี้ไม่พอก็เลยอยากจะบวกับท่านอยากจะไปเที่ยวนโลกสวรรค์ทั้งสิบท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณและคุณไม่ยคู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคําว่าคู่ปรับหมายความอย่างไงเกอคําว่าคู่ปรับต้องทําบุญร่วมกันมาแต่ใช่ก่นก่อนทีน่จะสอนกันได้ การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้มั่งแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพร่องฉันสอนให้ได้มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอจิตศรัทธาอยากจะบวชเพราะอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกมันมีมันมัม น, มนมีเ่ตั้งแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุเจ็ดปีมันก็ก้องอยู่เสมอว่าต้องลงนอยไปเที่ยวในเมืองนรกได้ตนเองให้ได้ ต้องขึ้นไปหาเทวดาให้ได้ไปที่วีมายของเทวดาให้ได้กลัวความไม่กล้องอย่างนี้เธอก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลวงพ่อปานวัดบ้านองโคที่แต่กุลก็เธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละเป็นเป็นคู่ปรับกับเธอถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่า น, กกานไม่ช้าจะได้ก็เคยรู้โถใจกันมารู้ด้านชีวิตจิตใจกันมาเดิม หลังจากนั้นมาเมื่อมาพบรู้พระปานกระโบดเรื่องรายละเอียดอยู่ในบอดพระปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นพอโบดแล้วหลังจากนั้นเมื่อพบพระปานท่านให้ตาเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จเส็จขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกรรมฐาน เสียงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังคติเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เชวยเข้าแต่เชิด ก, ก็ยกมือไหวบอกท่านครับท่านใหญ่เพราว่าปานนี้เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นีมนให้ไปหาที่ข้างหน้าพระศิอาดิยมไปไตรกลางสลายพ่ฟังก็เป็นคำสั่งพ่อปานผมก็ไม่ถามต่อไปคำสั่งต้องเป็นคำสั่ง ครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบกราบท่านบอกกราบพระศีอานะเวลากราบลงไปนึกถึงพระศีอาริยะเมตไกรกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบครั้งสองนึกถึงพระศีอาริยะเมตไตรกราบครั้งที่สามนึกถึงพันดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอนตเวลาที่ผมกราบไปใจผมนึกผมไม่เห็นภาพ เพราะการเห็นพระพุทธรูปในอกเป็นใบจำนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็บพบภาพทันทีโดยยมพระโดยพระองค์สมเด็จปิจนสีเวลาที่พบ ก, กราบพระพุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นหรอกผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจปกติไปไหนผมก็เห็นผมเลยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเป็น้นมา แล้วเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแพร่พราเป็นนัยับพอผมกราบเสร็จรู้วไ ป, ปก็บกว่าเธอจงปรารถนาพุทธ ภ, ภูมิอย่างฉันผมก็กราบเรียนนะบอกว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธ ภ, ภูมิไม่ได้ครับว่าสนาบารมีว่ากนับว่าสนาบารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ และก yup. <mart> like ็ไปพร้อมที่จะเป็นพระเถรเจ้ารู้ว่าปานบอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทําไมไม่รู้อดีตอดีตที่ผ่านมาแล้วเธอปรัตตนาพุทธภูมินนานแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ใกล้จะบรรลุอริเิกใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอริเิกสมมาทิพย์ญาณใกล้จะเต็มท้อคนปรัตตนาพุทธญาณต่อ เมื่อท่านว่าอย่างนั้นผม ก, ก็ยอมรับท่านบอกให้ปฏิญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผม ก, ก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม่เอาว่าอย่างฉันให้ชัดเจนจําใช้แบบนี้ท่านก็นํานำแล้วผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่าบอกอธิษฐาน <c oughs> ถ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ ม, ม, มารุ่งอริเสสสัมมาสัมพุทธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้ามาดีแตการแล้วเขายกพระสีอานี้ขึ้นแล้วก็ท่ า, ากราบตั้งคุกเข่าเอาสองมือกขาประคองแทนพระพระก็ขึ้นพระสีอานนี้เขายกตั้งเจ็ดคนหรือแปดแปดคนแปคนหลังหลังไม่ยืดนะหลังงอๆท่านไปคล้องสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วท่านก็วางขึ้นขึ้ น, นลลแล้วลงแล้วก็วาง เธอมาว่าคุณยกบังผมก็ยกบังนะที่ทำแบบท่านที่ตามช้างช้างที่ก้อนใหญ่ผมที่ไม่ออกเลยเอามือผมก็หยับเข้ามือลู่พระไม่ขยืนเธอกบอกว่าเธอวาสนาบารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นแหละครับยกขึ้นเร็วหรือเบาอยู่ ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงแบบนักกีฬาสองสามครั้งแล้วก็วางวางแล้วก็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านว่าแน่ผมก็แน่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้ น, นท่านอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปส ก, กิปีอายุเท่าไหร่จึงจะตาย เพราะว่าอายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกขึ้ก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไ ป, ไปพออายุยี่สิบเจ็ดยกขึ้นเบาเบิงไมืนก่อนวางแล้วก็กราบพระท่านบอกอายุยี่เจ็ดมดายุเถอเแต่ความจริงท่านรู้แา่ว่าท่านจะบอกเฉยๆนี่เราคงจะไม่เชื่อจงทดลองยกภษีอ่านดู หลวงพ่อปานเนี่ชื่อว่าธนูเนี่ยพวันเวลาตายของท่านท่านบอกลงหน้าสามปี <c oughs> ไปสามปีข้างหน้าเนี่ยวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านัน้นเวลาเท่านั้นฉันจะตายแล้วท่านตายตรงเป๊งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้มาส บ, บายนอนคลอกๆ ก, ก่อนหน้านั้นตอนเช้าท่านก็บ่นเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ า, จา แต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยงก็ลงความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจากเที่ยงจงไม่พูดเลยทึงเวลาตุนริการตีเปลิงวาระแรกหกโมงเยิน <c oughs> ท่านลืมตาแรับหลับตาแผลบไปเลยที่ปรจดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทาไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้ เพราะตามปกติแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องของอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อพอปานบรณาภาพแล้วออขอโทษนึว่าปก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายาอายุ27ปีผมก็นึกในใจว่าถ้าผมตายอายุ27ปีผมก็เป็นพรมเพราะเวลาที่ผมจเจริญกรรมฐานผมไปพรมเสมอ ผมขึ้นไปข้างแรกพมขึ้นไปบรรดาพวกพมก็เงียบเก่าจริงว่านั้นไม่เงียบเราเจียวเจ้าเจียวเจ้าเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วดีอกดีใจแต่ต่างคนต่างก็บอกว่าเพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุพมตั้งใจจะไปบำเพ็ญบารมีกลับตายเขาเนี่ยไปอยู่สูงกว่าเดิม ผมเข้าใจว่าจากพรหมชั้นที่เก้าอาจจะไปพรหมชั้นที่สิบที่เอ็ก็ตามเรื่อง <c oughs> ผมไม่เคยนึกว่าไอ้เรื่องนี้พรหมนิพพานเราจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้เมื่อตายแล้วอาจจะไปพรหมชั้นโน้นที่สูงกว่าพรหมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้น อันนี้เวลาเจริญกรรมฐ า, านผมก็มั่นใจผมคิดเลยบอกตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรหมผมก็ไปชั้นพรหมเช่นพรหมทุกๆ ท, ท, ทุกวันเวลาที่ไปถึงนั่นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครพรามไม่มีนางฟ้ารบริวารถ้ามีนางฟ้ารบริวารชาญแตกแน่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นผมส บ, สบายสบาย ดีเมื่อดีตอลุ่ํข่ำท่องหลังเสือทบทนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ไหว้พระเสร็จสมาทานเสร็จผมก็กลับมานอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งพลัดไปวิมานของผมผมก็เป็นผมเหมือนกันผมก็นอนแข็งที่นั่นปลอนร่างกายมานอนตามสบายข้างล่างที่เวลาใกล้ตีสองอีกห้านาทีผมก็หลง ผมทำอย่างนี้เกือบทุกวันผมจะมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรคุณจะไปเป็นพรหมมานั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพวันทบายต่ออายุผมก็ไม่อยากจะต่อท่านบอกไ้ต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวปล่อยปลาหนึ่งตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามากํามังใหญ่ ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบัางแหละมันก็ย่งกรมังใหญ่มากแล้วให้พระไปตามผมเมืม่อไปตามไม่ยิงดำมาที่พาไปตามมาแล้วท่านก็บอกว่าเอาคุณช่วยปลาไปปล่อยทีนะคุณก็นําปลาไปปล่อยผมนึวกว่าปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้างกระมังมากระมังมาบา ง, บบางที่เดิมก็ไปกราบท่านเพราะว่าเป็นอมตะต่ออยู่แล้ว ปราทั้งหมดฉันซื้อให้แก่แกอายุยี่เจ็ดต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ตายหรือไม่ตายผมก็ไม่ว่าผมก็ตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เร่งรัดกำลังใจผ ม, มเรื่อยๆแต่การเร่งรัดผมไม่น่าไปนั่งหลับตาปีนั่งภาวนาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผลตลอดเวลา เวลาจะดูสืออผาก็เห็นพระก่อนเห็นพระแล้วผ็ขอพรขอให้จำสือได้เหม่นๆง่ายและมีความเข้าใ จ, จตลอดเว ล, ลาเขรู้สึกมีประโยชน์ <c oughs> ตํารลาบาลีที่ก็ว่ายากๆแต่ผมเริ่งเขาไม่หมักได้นิดหน่อยอย่างอะไรสังขยา ก, ก็ดีอังคยาย ก, ก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลย ดูตำราแล้วเข้าใจต่อมาเมื่ออายุได้เจ็ดยี่สิเจดปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาสเข้าไปเรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นปริญญแล้วอายุยี่เจ็ดนีเป็นปริญญแล้วก็มีพระท่านธรรมยายขนาดหนึ่ง <c oughs> ทุกองค์ฉันและรูกศิษย์สบายผมก็อยากจะมีกําลังร่างกายโปร่ตร ง, งเขาบ้างแล้วเป็นนักเทศแล้วด้วย ก็ขอท่านฉันพ่อฉันไปไประเดี๋ยวเดียวท้องทายสามครั้งหมดแรงคราวนี้ตามันเริ่มสั้นมาทีหน่อยหนะ่อยชตาที่มองใครใครมันเห็นสั้นกมาสั้นกมาสั้นกมาจนทั้งพระกับเนรนั่งกังข้างสองสามองไม่เห็นพอไปเห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครามาก็ไม่เห็นหมด เขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขณะนั้น <c oughs> มันเป็นความรู้สึกแตกต่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริงอย่างที่ชาว บ, บ้านเขาเรียกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกไ้นั่นก็ไม่จะสลบคงเข้าใจว่ากําลังเขาจิตเป็นชานมากกว่า หากว่าท่านจะถามว่าเป็นฌานด้วยากาันยังไงนั่งเปล่งเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษามีความเข้าใจไว้นะผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเองมาเล่าโซ่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่วยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา คือพระพุทธรูปทองคําที่ผมชอบแล้วก็ภาพพระเจ้ทาที่ทแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สองเพื่อปรากฏชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองก็ได้ภาพนั้นเหมือนกันแต่ลีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจเพราผมชอบยสวย เวลาเป็นหนุ่มๆจยเป็นครวัตผมก็ชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมก็ชอบ ต, ตอนเป็นพระมาณีผมชอ บ, ชอบพระพระเจ้าสวยๆ ว, วางสาวๆ ส, สวยๆสวยเคยไปยุ่งกับแกผสู้แกไม่ได้ผมเลิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตั้งแตบทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปก็รู้ความว่าผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆ ภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิจารณาเขาเห็นพขาตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครควรเห็นตลอดเวลาดูสวยเห็นท่านอยู่บนหัวผมเลยผมให้ท่านเอานึกว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจสายสว่างจำอะไรได้ดีเวลาป่วยไขย้ไม่สบายเพราะนั้นท้องถ่ายาเครื่องแลกก็คงนึกไปใจว่าการอย่างนี้มาอีกแล้วเราสูต ด้ว่เราสู to to ้ก <Yes. S 1> ็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทำอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทโธให้ใจเข้าึนว่าพุทธให้ใจออกในว่าโธใจก็จับพระรูปพระโฉงก็องค์สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าที่เคยเห็นชัดมากและพระกอทสงแย้มพระโอ์ไม่เคยพูดต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนนอกดับร่างกายไม่รู้สึก ตาไม่ได้จีไม่เห็นหูไม่ไดียินแต่มีความรู้สึกขันตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกายเสื้อผ้าของตัวเองเป็นพรมสายชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามากแต่ว่าไม่ยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่แล้วเราควรจะไป เ น, นี่เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อเป็นโสสมณีธรรมดาญาโยมพุทธบริษัทว่าร่างหนาของกายเข้าฌานตายเนี่ยที่แรกผมเรี่กคนเข้าฌานตายตะลุกเขามานั่งคมถาชักปลืกคําล้วภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คำไหวฌานาคืออารมณ์ชิงของสมาธิอารมณ์ที่เป็นมหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมไม่ทําเครียด ไม่ใช่มีลมตึงเป่งอาการตึงเป่ง น, นี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงที่ไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้ลมเบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้นี่พ อ, อหายใจเบาๆสบายๆนึะจิตเป็นสุขเห็นภาพพระก็สบายเพาเหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรูส้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเนี่ยเหมือนกับถ้ใหญ่มาก แร้ว่าถ้ายืนต่อตัวสองสามคนไม่เห็นไม่ไม่ไปถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดี <c oughs> ก็คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาปเปล่าๆ <c oughs> ก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิษฐานาว่าข้าพเจ้าควรจะอยู่หรือควรจะไปไปไหนไปพรหมมิมาณเห็นชัดแล้วก็บุอากาศเต็มเพื่อแรพร่าปริยัตเทวดากับพรหมพริยัตเต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกว่าเคยเรียกเพียนว่ายิ้มไข้โ ค, รครนให้ดีก่อนไข้คลนให้ดีก่อน ถ้าสมาธิพร้มมาจริงขนาดบอจงใข่คนให้ดีจะไปหรืออยู่ไข่คนให้ดีคุณก็เลยนึกไปใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าคนอยู่หรือคนไปถ้าคนจะอยู่ให้มีฉับพัเราศีรัศมีวรการพุ่งมาเป็นไปดานถ้าหากไม่ยังไม่คนอยู่คนจะไปคอเห็นว่าไม่เห็นอะไรปรากฏเลยพอพิธานเสก็มีรัศมีวรการพุ่งมาเป็นแสงรุ้ง เป็นเป็นดานแพร่หยุกพักหนึ่งหายไปคุณคิดว่าท่านบอกว่าคนอยู่ถ้าตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมเขามีรัศมีพุ่งมาใหม่จะเป็นรัตสิณาวัตถ้าหากว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมจะให้รัศมีพุ่งมาอีกเลยก็ปรากฏรัศมีพุ่งมาใหม่เป็นทักษินาวัตสวยสดงดงามมากครู่หนึ่งก็หายไป ก็คิดว่าไท ย, ยงั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปลายก่รมีเทวดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ตอนนั้นท่านแต่งตัวชุสีขาววงเห็นขาวหมด <c oughs> หนุ่งผ้าธรรมดารรมดาเป็นผ้าพื้นในผ้าสบายเสียงก็สีขาวท่านก็มามียาก้อนหนึ่งเมอก้อนดินเพราะว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสียในการที่คุณรับ เทศไว้ทียวจังหวัดสมุทรสงครามวันมรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายอย่าปกติรับยาเข้ามาฉันรถเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวเต่นขึ้นได้เวลาประเดียวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไปแปดชั่วโมงเศษ ดีว่าสมเด็จพุทธาจารย์ว่านงท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มากแต่เย็บจะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผมคนเดียวก็พอว่าวันนี้ผมไหว้หมดตัวไม่เชื่อไหว้เฉพาะมือหระเพราะหน้าผากของผม ท่านยับยังห้ามไม่คนอื่นมายุ่งกับร่างกายของผมนั่นดีไม่ดีเขายกขึ้นเชิญตะกอนไปแล้วผมไม่มีสตังผมเป็นนักเทศแต่ผมมีสตางติงดกระเป๋าไม่ถึงสิบบาทแต่ละเวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงนินหมดก็รวมความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานี้ถือกรรมเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์ มีโยที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไงเนื่นเมื่อไปดูหลวงพ่อปานที่จะตายเข้าฌานตายเท่งไม่ลุกนั่งเพื่อ น, นอนธรรมดาธรรมดาอารมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีอาการเครียดพึ่งปังทําท่ า, ทามันจะเดินสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเป็นฌานดิง่งไม่ใช่อย่างนั้น แล้ผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบพระานันเวลาว่าป่วยไข้ไมาสบายผมเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่เอ้ผมคิดเสมอนะครับเวลานี้ย่งป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้ก็มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ส่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็มึกงงทุกวันนับเวลาสองเดือนเสร็จมาแล้ว ยิ่งกลยย้ระยะเวลาที่จะมาถึกเสียงเนี่มันจะเป็นหนักผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผมผมอาจจะคาบเอาสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคุณประโยชน์หนีไปแต่นี้จากท่านไปเอาไปเมืองผีสมุดผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีหรือไม่ดีต่างคนอื่นนะผมไม่ทราบถ้าผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์สําหรับผมก็เลยมาดายไขวสก่อน แทนี่เกื่อนไม่หมดแต่ผู้เดียวเป็นว่าขอให้ท่านหลายพึงมีความเข้าใจการเข้าฌานตายเขาไม่สภาพแบบนั้นก็ข อ, อทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมฐ า, านตามที่ท่านจะพกลื่อนทำได้ใช้กําลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านยี่ได้มโนยิธิผู้กายไปนิพันธ์ก่อน กายไหนนะอทิสมานกายปล่อยให้ใจสบายตเถหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมายของเราเป็นที่มัยของท่านก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังมาอะไรเข้ามาที่นี่เมือนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันท่า ย, ยามว่างมีโยยงจะเริ่มพระรูปพระโฉกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระโลกของนิพพานสหรับท่านในปฏิบัตนนิได้สุขาภาวะสัโก ก็จับพร ะ, รระโอ per ฉโองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดองหนึ่งคนไดแล้วขณะใดคนได้เจะนึกภาวนาในใจเมื่อไใ่คนไดเวลาคุยกับเพื่อนเดินไปมิตรละเราไม่สามารถจะภาวนาได้กัใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อน แต่ขอบารบมีขององค์สมเด็จพระจินวนวโรด้วยโปรดสรงเคารพการตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทกําลังใจทุกวันของท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอะริยเจ้าพระโสดาทิฏฐาคานาคารหันแต่ว่ากําลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชื่นผงคิดว่าตายแล้วอย่างเหลวไฟสวรรค์ได้แน่ แต่ถ้าว่าถ้ า, ารณ์แบบนี้แสดงาาสัญลักษณงการเป็นพรหมก็ขเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นพรมแน่นอนพรัะบันดาสาวกคุโองสง้อเดินไปจินวรสัญญาณบอกหมดเวาลาหมดแล้วก็ขอยุติวัฏเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสิทิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาทพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี